กรรมันตะประโยชน์เกิดจากกรรมประโยชน์เกิดจากการกระทําประโยชน์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากการกระทําต้องมีกิริยาประกอบกายกรรมทําด้วยกายวิจีกรรมทําด้วยคําพูดโนกรรมนึกคิดด้วยใจ ที่เราตั้งความปรารถนาอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นการตั้งเป้าประสงค์เพื่อที่เราจะเดินไปถ้าเราตั้งเอาไว้แล้วเราไม่เดินไปมันก็ไม่ถึงเพื่อเจ้าท่านทรงตรัสรู้ถูกถูกต้องตามหลักของเหตุของผลร้อยเปอร์เ็น ภายในใจของเราของท่านนั้น <c oughs> เราต้องการอะไรให้มันได้อย่างใจต้องการอะไรให้ได้อย่างใจหนึ่งเพื่อตัวเองสองเพื่อคนที่เกี่ยวข้องกับเราเป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นปิดามาันดาเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นครูบาอาจารย์เราปรารถนาให้ตัวเองมีความสุข มีความเจริญปรารถนาให้ได้ลาบให้ได้ยศให้ได้เกียรติทั้งหมดนี้เป็นความปรารถนาแต่เราต้องทำเราต้องเดินไปสิ่งเหล่านี้เป็นกำลังใจไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์มีประโยชน์แต่เป็นกำลังใจอย่างอื่นนั้นเราต้องทำถ้าเราไม่ทำมันไม่เป็นการสร้างเหตุ ในเมื่อไม่มีเหตุมันก็ไม่มีผลเราต้องการผลแต่ไม่สร้างเหตุผลก็ย่อมไม่เกิดด้วยการปราจากเหตุเราสร้างเหตุไว้แล้วถึงแม้ว่าเราไม่ไม่ต้องการผลผลก็ย่อมให้ผลอยู่ดีเพราะฉะนั้นความชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่มีใครต้องการผลของมันเน ในเวลานั้นคนมักจะเผลอไปทําพอไปทำปั๊บเหตุมันก็เผลอมาให้งานเราเล่นงานเราเหมือนกันมันไม่ใช่เผลอหรอกเ ร, เราทําแบบเผลอมันก็ให้ให้ผลแบบเผลอมอกันเรื่องของเจตนาเน่ยเราจะตั้งเจตนาหรือไม่ตั้งเจตนากรรมมันก็ให้ผลกรรมก็ให้ผลท่านยกตัวอย่างเช่นอย่างพระท่านเย็บผ้า เย็บผ้นีปลายเข็มเนี่ยไปถูกตัวเลนตายตัวเลนเล็กๆนะ่ะท่านมองไม่เห็นท่านไม่มีเจตนาเลยนะแต่เข็มไปแทงเลนตายเลนสมัยตะก่อนเนะี่ยเลนมันคงจะเกาะ อ, อยู่ตามผ้าเยอะผ้าพระเย็บผ้าไปถูกตัวเลนตายกลายเป็นว่าเลนตายด้วยกิริยาที่เราทํากรรมแต่ในใจเรามีเจตนาไหมไม่รู้ไม่เห็นไม่มีเจตนา แต่กรรมมันก็ให้ผลให้ผลแบบไม่มีเจตนาเรนตัวนั้นตายไปแล้วไปเกิดเป็นคนพระยังอยู่ในอัตภาพเดิมนะเรนตายปุ๊บมันก็เกิดพรับไปเกิดเป็นคนคนในบ้านนั้นในละแวกนั้นแหละอยู่มาอยู่มามันก็โตพอโตมามันรู้จักขมังกินมันก็เข้าป่าพระอยู่ในป่าตอนเช้าเข้าบ้านยอมคนอยู่ในบ้านตอนเช้า มันเป็นนายพรานพอมันโตมันมันเป็นนายพรานอตอนเช้าคนในบ้านออกเข้าป่าพระอยู่ในป่าเข้าบ้านนะบินทบาทมีอยู่วันหนึ่งนายพรานเขาไปทั้งวันพระเข้าบ้านแล้วพระก็ออกไปนายพรานไปช่วงไหนก็ไม่รู้แหละไปหาศัก์อะไรไม่ได้สักตัวเลยแหละอาวุธก็ไม่มีปืนอะไรก็ไม่มีมีแต่มีแต่แตแตหอก ออกแล้วแหลมสลับผุ่งใสนะ่เดินกลับบ้านไม่ได้อะไรสักตัวเลยเอย๊วันนี้ไม่ได้อะไรสักตัวเลยเพราะเดินมาสักหน่อยเห็นพระพระองค์นี้แหละองค์ที่เคยเป็นคนเย็ยบผ้าเนี่แหละมันเป็นคู่มันเป็นคู่กรรมกันแต่ไม่มีเจตนาเป็นคู่กรรมกันเอ๊วันนี้รู้สึกเราหาอะไรก็ไม่ได้สักสัตว์ก็ไม่ได้สักตัวเห็นพระรู้สึกอยากกราบพระ เห็นแต่ไกลนะเอ๊ะตั้งใจจะกราบพระเลยวันนี้เดินสวนทางกันตั้งใจจะกราบพระเดินไปเดินไปพ่อไปถึงตรงนั้นน่ะหายไปแล้วพระไม่เห็นพระองค์นี้เกิดเกิดวิตกเกิดกลัวเห็นไอ้พรานเดินถือหอกมาเนี่ยก็รู้สึกกลัวขึ้นมากำมันบรรดาลเห็นไหมหลบไปอยู่ในพุ่มไม้ไอ้พรานมาก็เอ๊ะไหนไม่เห็นน่ะพระ ท่านใจจะกราบพระวันนี้นะหรือว่าท่านกลัวห อ, อกเราอะโยนห อ, อกทิ้งก็ไปในป่าโยนทิ้งไปเฉยก็ไปแทนพระตายในป่านี่คือกรรมที่มันสนองโดยไม่มีเกตนาเราดูที่กรรมเจตนาก็กรรมไม่เจีตนาก็กรรมเพราะฉะนั้นพฤติกรรมใดๆที่เราสํารวมระมัดระวัง จึงเป็นการคู่ควรที่สุดถ้าเราไม่ระวังระมัดระ ว, ว, วังเนี่ยแม้แต่เราเผลอเราไปเดินเหยียบหอยแตกเหยียบกิ้งกือตายอย่างเงี้ยมันก็เป็นกรรมอ่ะยิ่งในสัตว์ตัวใหญ่ๆด้วยแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งกรรมเพราะฉะนั้นเรื่องกรรมเป็นเรื่องใหญ่อย่าลืมว่าพวกเรามาด้วยกรรมอยู่ด้วยกรรมแล้วก็จะไปด้วยกรรมคำว่ากรรมในที่นี้หมายถึงพฤติกรรมกิริยา กิริยาที่กายขอเราแสดงออกกิริยาที่วายจางของเราแสดงออกกิรยิา ย, ราออรยาของใจของเราที่แสดงออกทั้งที่เขาบอกกรรมคือการกระทําของมันแต่กรรมอย่างอื่นท่านไม่เอามาพูดท่านเช่ น, นอย่างในกรรมบทท่านเอามาพูดเพื่อเป็นเป็นข้อปฏิบัติสําหรับเราเนี่ยกายกรรมสามให้เว้นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมไวจีกรรมสี่ เว็นพูดเท็จพูดอย่าพูดส่อเสียดพูดเพย์เจอพูดปดเนี่ยมโนกรรมสามไม่ลบอยากได้ของเขาไม่พยาบามปองร้ายเขาเห็นถูกตามทำนองครองทำอันนี้คือกรรมในกรรมบทคาว่ากรรมบดเล่าทางเดินทางปฏิบัติกรรมบทเราไปดูนั่นแนหะคือกรรมเราดูกรรมมาที่นี่แล้วเราจะมาดูกรรมที่กายของเราออกถ้าเราไม่ไม่มาดูยจิตเขาจะส่งเดชไปแล้ว เราเคยทํากรรมอะไรเนาะเราเคยทํากรรมอะไรเนาะโดยที่เราลืมสํารวมระมัด ร, ระวังเรื่องกรรมใหม่กรรมใหม่มีอิทธิพลมากมีอิทธิพลมากกว่ากรรมเก่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็าตามกรรมใหม่มีอิทธิพลกว่ากรรมใหม่มีอิทธิพลกว่าเหมือนนิทานของพยอมพยอมก็เล่านิทานนะว่าอาพ่อพ่อของตัวเองเนี่ย ทำเค่งแล้วก็เอาปูใส่เค่ง่พาพาพาลูกพาลูกหามปูพ่อของตัวเองหามไปโยนน้าหามไปโยนน้ำโย น, นำยนทิ้งน้ำให้ตายนั่นแหละเอาไปโย น, นทิ้งเ ก, กลการเลยเกินพูดเท่าเกียดดูเลยรักษานิทานนิทานจำพยอมแต่มันเป็นนิทานประกอบกรรมนะหามไปไปถึงน้ำจะโยนพ่อบอกว่าจะโยนทั้งเค่งลูก ลู ก, กบอกพ่อพ่พ่พพเก่งเอาไว้เก็งเอาไว้อะเอาไว้ทาไมอะเอาไว้หามพ่อเอาไว้หามพ่อพอถึงคราวพ่อบ้างเราไม่ต้องไม่ต้องสารเนี่ยเอาไว้หามพ่อมันเป็นกรรมสะท้อนทีแรกถ้าไม่มีลูกทักเนี่ยคงจะโยนตีงแล้วก็ตายไปแล้วพอมีอะไรไปสกิดพับเช่นอย่างลูกไปสกิดพับกลับขึ้นมาทันทีแทนที่จะตายพอเลยเป็นคืน ในที่สุดระลึกได้ถามพ่อกลับคืนมาเลี้ยงดูอย่างดีเลยเท่านี้อันนี้คือกรรมใหม่นี่เราพูดถึงแง่อิทธิพลของกรรมใหม่กรรมใหม่มีอิทธิพลอย่างนี้เหมือนสมัยพระโมคคัลลานะเหมือนกันแหละสมัยอดีตกรรมของท่านน่ะท่านฆ่าแมนะ่อันนั้นก็แม่อยู่กับเมียก็ไม่ถูกกับเมียเมียไม่ชอบใจคนแก่ถ้าท่านอยู่กับแม่ฉันจะไปอ่า ท่านจะอยู่กัอีกชันท่านก็ต้องจัดการแม่เพราะมกราณกเอาแม่ไปเอาแม่ไปไปจัดการไปฆ่าแต่นั้นมันไม่มีเครื่องสกิดบอกแม่มีเพื่อนอยู่บ้านโน้นมีญาติก็อยากพกแม่อยากแม่ไปเยี่ยมแม่ก็เลยดีใจมากได้จะได้ไปเยี่ยมไปเยี่ยมไปก็นั่งเกวียนไปอ่ะแม่ตาบอดนั่งไปก็ไป ไปถึงทางทางที่มันมีแต่ป่าสองข้างทางเขวียนมันก็เป็นร่องแม่ถือไปถึงทางไปถึงป่าให้แม่ถือเชือกหัวไว้ไลองไปหนักไปเบาไปผสมะไปอะไรเนี่ยพอลงไปแล้ว ไ, ไปเปลี่ยนเสียงเนี่ยเหมือนก็เป็นโจรเป็นขโมยมาปลอนมาจี้มาอะไรต่ออะไรนั่นเนี่เออะาวยวายมาแล้วก็ทุกแม่ลูกเอ้ยหนีลูกเอ้ยหนีลูกเอ้ยหนีห น, นีแม่แก่แล้วแม่ตายไม่เป็นไรแม่คิดว่าขโมย โจรไมปล้นทุกแม่จนตายไม่มีใครสกิดทุกแม่จนตายความต้องการแค่อยากมาอยู่กับเมียสบายๆแค่นั้นเองไม่ได้หวังว่าจะมีกรรมม า, มาตามมาเล่นงานเราห้าร้อยชาติสนอห้าร้อยชาติยังไม่จบเกิดมาชาติไหนก็ฆ่าเกิดมาพบไหนก็ถูกฆ่าเกิดมาชาติไหนก็ถูกฆ่าถูกฆ่าห้าร้อชาติชาติสุดท้ายเป็นอัคคะสาวก ก็ยังถูกฆ่าเพราะให้ผลยังไม่จบแต่อิทธิพลของกรรมใหม่พอหลังจากนั้นมาท่านระลึกได้ท่านกลับตัวใหม่ท่านกลับใหม่ ท, ท, ท, ท, ทั้งตั้งตั้งตนปรารถนาอาฆาสาวกซึ่งมีมีเพื่อนเป็นพระสาริบุตรเนี่ยชวนกันตั้งบารมีเป็นสาวกตั้งแต่บรรดาเป็นต้นมาก็สร้างบารมีมาจนเต็มเป็นเป็นผู้มีบารมีมากกว่าสาวกองอื่นๆแล้วก็เป็นผู้เลิศในทางฤทธ การกลับใจใหม่นั่นแหละคือกรรมใหม่คืออิทธิพลของกรรมใหม่อิทธิพลของกรรมใหม่นี้เป็นสัมมาทิฏฐิแต่เป็นเรื่องของกรรมเก่านะั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิอิทธิพลของกรรมใหม่นี้เป็นสัมมาทิฏฐิสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างคุณงามความดีรักให้ทานรักษาศีลปฏิบัติทำประพฤติธรรมทำใจให้ได้รับความสงบอันนี้คือการสร้างบา ร, รมีจนท่านเต็ม เตมแมามาอบัตเนี่ยร่วมกับพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมาเป็นอัคคสาวกบั้งซ้ายถึงขนาดก็ตามท่านมีฤทธิ์มีเดชมีอภิญญาแต่กรรมเก่าของท่านเนี่ยเวลามันจะแสดงตนให้ปรากฏมันก็ต้องมาประจบกับกรรมใหม่อีกเหมือนกันตอนนั้นท่านมีฤทธิ์ท่านไปสวรรค์ก็ได้ไปนรกก็ได้เอาข่าวสวรรค์เอาข่าวนรกมาเล่าให้มนุษย์ฟังชาวบ้านเรียบใสศรัทธาลาบสักการะกันหลังหลายมา นักบวชนอกศาสนาก็อดอยากไม่มีคนเอาอะไรไปไปให้อืมอะไรเป็นเหตุทําให้พวกเราฝืดเครืองถึงขนาดนี้เออนี่แหละนี่แหละี่ยสาวกของพระสมณโคดมนี่แหละมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากมีเดชมากจ้างให้นักเลงไปฆ่าได้ทีนี่นี่คือกรรมใหม่ที่มันไปจุกกับกรรมรเก่านักเลงก็ไปฆ่าเข้าไปรอบแรกท่านก็หอกออกท่านหน้าต่างเพราะท่านมีฤทธิ์เนี่ยไปรอบที่สองท่านกอ็อกออก พอไปรอบที่สามท่านก็นมานึกถึงกรรมโอ้ยของมันมันมาตามเอาทา่น า, านก็เข้าฌานกรุบกรับขึ้นมา ท, าทันทีมันก็นมาทุบตีจนแหลกหมดคิดว่าท่านเสียแล้วคิดว่าท่านตายล้วลากไปทิ้งข้างนอกเพราะได้อายุได้ระยะการเวลาท่านก็นฟื้นขึ้นมาโอ้เราหมดอายุไขแล้วมันทุบตีจนแหลกหมดละก็เลยไปลาพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานนี่คืออิทธิพลของกรรมอันนี้คือกรรมกรรมเก่าที่ตามมาเล่นงาน แต่ว่ามันก็ต้องมาไปจบเหมาะกับกรรมใหม่กกรรมใหม่อีกอันหนึ่งที่ท่านกลับจากหนทางอันนี้ท่านตั้งใจจนจนได้บำเพ็ญจะได้เป็นพระอราหันต์คำว่าพระอราหันต์นั้นมันเป็นคุณสมบัติของใจไม่ใช่คุณสมบัติของกายร่างกายไม่ใช่มีไม่ใช่ความเปลี่ยนพระอรหันต์ความเป็นพระอราหารันต์เป็นที่ใจเพราะฉะนั้นเขาก็ทุบตีได้แต่กายใจของท่านหลุดไปแล้วพ้นไปแล้วแม้แต่มัจจุราช มัจุมานมัจจุราชก็ไม่สามารถจะตามตามได้แล้วแหละไม่อยู่ในอำนาจของใครๆแล้วคือจิตที่หลุดพ้นไปแล้วแหละไม่มีไม่มีสงสารไม่มีสังสาระการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดมาเกิดใน ใ, ในในกับจิตดวงนั้นอีกแล้วนี่เราพูดถึงกรรมเก่ากรรมใหม่ที่เราพูดทั้งหมดนี้มันสะท้อนมาให้เห็นถึงกรรมความเป็นอยู่ของเราเพราะฉะนั้น ทุกสิ่งใดๆก็ตามที่เราตั้งความประสงค์ไว้เป็นพลังเป็นกําลังใจแต่ในที่สุดเราต้องทําเหมือนเรามาขอพรขอสอบได้ขอเข้างานได้เพื <c> ่อ <ười> <p are> เป็นกําลังใจในที่สุดเราเป็นโอ้ยเพิ่นให้พอเราแล้วเนี่ยนอนสบายาไม่มีแล้วมันไม่สมเหตุสมผลเลยจะได้อะไรเวลาจะได้จะได้ด้วยเหตุอื่น ด้วยข้อสอบด้วยคําตอบด้วยความรู้ด้วยอะไรตัวไหนี่สิ่งเหล่านั้นเราจะต้องแสวงหาเหมือนการทำมหากินสิ่งที่ดีที่สุดที่เลิศที่สุดที่ประเสริฐที่สุ ด, ส ด, ส ด, ส ด, สดคือปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาเป็นรัตนะของนอรชนเป็นรัตนะคือเป็นแก้วเป็นเครื่องประดับของชนของคนเรามีปัญญาเราช่วยตัวเองได้ทุกอย่าง ปัญญาที่เลิกที่ประเสริฐสามารถเดินไปสู่อริมอยมรรคตรัยได้คืสัมมาปัญญาปัญญาทางทิศชอบเป็นสัมมาทิฐิอันนี้สําคัญที่สุดเราแสวงหาปัญญาแสวงหาความฉลาดแสวงหาความรอบรู้และมาระวังที่พฤติกรรมของเราก่อนที่เราจะแสดงพฤติกรรมด้วยกายกรรมด้วยวจิกรรมด้วยมโนกรรมเราจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาไม่ใช่มีความอยากแล้วก็ทํา อยากอยากยากตามอะไรของตัณหาแล้วก็ทำตัณหามันไม่มีเหตุไม่มีผลดอกตัณหาคือกิเลสกิเลส ค, คือตัณหาในหัวใจของเรามันไม่มีเหตุมิไม่มีผลมันชอบอิสระเส ร, รีอมันชอบทำทำอะไรตามใจชอบมันไม่คํานึงเหตุไม่คํานึงผลทำตามความอยากว่าจะอยากยังไงก็ทำางนั้นอยากยังไงก็ทำางั้นแต่สำห ร, รับเราผู้มีปัญญานั้นอยากขึ้นมาวินวิเฉัยไข้ครวนซะก่อนเป็นอยากเป็นเรื่องของมรร หรือว่าเป็นเรื่องของสมุท enfin ัยถ้าเป็นเรื่องของมรรคเป็นเพื่อบุญเพื่อทานเพื่อศีลเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาเพื่อวิมุติเพื่อหลุดเพื่อพ้นเพื่อพ้นทุกอันนี้เป็นเรื่องของมรรครีบส่งเสริมรีบสนับสนุนความอยากแบบนั้นแต่ถ้าเป็นความอยากอยากโลภอยากโกรธอยากตันหาราคะอยากยื้อแย่งอยากฆ่าอยากแกงอยากอะไรทุกอย่างสารพัดหนึ่งอันนี้เป็นสมุทัยทำไปปั๊บความทุกข์มัดทันทีทําไปปั๊บความทุกข์มัดทันที ปัญญามาพิจารณาแล้วก็มาเลือกสรรคัดสรรเอามาประกอบกรรมตรงนี้นี่จะเปิดจะเกิดประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเรามีพุทธเจ้าท่านสอนผู้าศาสนาสอนสอนให้เรามีปัญญามีปัญญารักษาตัวเองอย่างนี้ปัญญาจึงเป็นรัตนะเป็นแก้วอันประเสริฐมาประดับหัวใจของเราปัญญาความรอบรู้วิธีการยังไงบ้างที่เราจะรอบรู้หลายคนหลายวิธีการ คนหนึ่งก็วิธีการของตัวเองอีกคนหนึ่งก็วิธีการของตัวเองครูอาจารย์หรือคนอื่นนั้นถ้าเราฉลาดเราก็สามารถดึงเอาสิ่งที่ดีได้ถ้าเราไม่ฉลาดเราก็งมงายไปตามเขาแล้วแต่เขาจะเป่าใส่หูแต่อาศัยความฉลาดอาศัยปัญญาอาศัยพิจารณาใครควรรู้ว่าผิดรู้ว่าถูกรู้ว่าค ว, วรรู้ไม่ควรรู้ว่าเหมาะรู้ไม่เหมาะรู้ว สัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิรู้ว่าเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมอันนี้สําคัญที่สุดสุดลงมาที่ปัญญาเราต้องแสวงหาปัญญากันแต่ปัญญาของพระพุทธเจ้านั้นน่ะนอกจากนึกคิดแสวงหาความรู้อย่างเดียวแล้วท่านให้หยุดเป็นการถนอมพลังของใจใจที่หยุดนเป็นใจที่ถนอมพลังขึ้นมามีพลังพอเวลาไปจสสเจาะเสาะแสวงหาปัญญามันจะเห็นตัวละเอียด เห็นเหตุเห็นเห็นเหตุเห็นปัจจัยที่ละเอียดส่วนละเอียดที่จะทําให้เราแล้วโอ้อันนี้แหละเป็นเหตุเพื่อความสุขเพื่อความเจริญที่แท้จริงเราสามารถทาตามนั้นได้แต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วก็ยากอะไรก็ทํำยากอะไรก็ทํำยากอะไรก็ทำความอยากร้อยทั้งร้อยถ้าเราไม่วินิชัยใคร่ครวญเป็นเรื่องของตัณหาทั้งนั้นเป็นเรื่องของสมุทัยสมุทัยก็คือเหตุแห่งทุกทุกคนไม่มีใครชอบทุกสักคน ชอบแต่วความสุขความเจริญดูในความปรารถนาของพระเจ้ามีความทุกข์เถอะไม่มีใครปรารถนาแต่เวลาเราไปทำผิดคือไปสร้างเหตุผลก็ตามมาเล่นงานเราเพราะฉะนั้นทำให้คนกลุ่มหนึ่งเข้าใจผิดว่าทำดีไม่ได้ดีแล้วก็ไปเข้าใจว่าทำชั่วได้ดีคือเขาตีความตีความผิดไม่เข้าใจเรื่องตรงนี้แหละไม่เข้าใจเรื่องกรรมนี่แหละ เอาแบบเอาแบบกำปั้นทุบดินเอาแบบหัวเดินแทนที่จะเอาทีเดินเอาหัวเดินเอาหัวทูเดินไปคนไม่เข้าใจเรื่องเหตุผลทำชั่วได้ดีทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปเขาไปมองแต่คุณค่าที่เขาเห็นแต่ไม่รู้จักคำว่ า, าความดีคืออะไรไม่รู้จัก เห็นได้ว่าเขาทำชั่วช้าสารเลวละมกจกเปลี่ยสารพัดทุกอย่างแต่กลับเป็นว่าเขาได้มงได้นี้ได้อะไรแต่ที่ได้มาชอบหรือไม่ชอบเขาไม่ได้วินิจฉัยใครครูนทําชั่วช้าขนาดนั้นสมัครร่ารวยมหาศาลอย่านี้ทําชั่วได้ดีเขาบ่าทําชั่วได้ดีหรือบางคนไปประกอบกรรมอะไรที่ไม่ค่อยจะเหมาะเท่าไหร่แต่ได้เหตุที่ไปจบไปแจงเปลี่ยนก็ได้ดีได้ยศได้ตาแหน่งได้อะไรตระลายจากผู้ใหญ่เนี้ย ยังก็มีเรียกว่าทำชั่วดาดีดเราไม่ดูเราไม่ดูเหตุเห ต, เหตุเหตุกับผลมันต้องไปด้วยกันไม่เคยผิดกันเหตุกับผลนี่จะไปตามกันเหตุยังไงผลก็ยังงั้นเหตุกับผลเนี่ยตรงกันเหมือนจุ่มสีดำไปทาปั๊บก็ต้องเป็นสีดำจุ่มสีขาวไปทาปั๊บก็ต้องเป็นสีขาวแต่ข้อสับเปลี่ยนทาให้เราเข้าใจผิดตรงนี้แหละ เราต้องการสีขาวแต่เราไปจมสีดำเนี่ยเราจับตรงนี้ได้มาเป็นหลักในการพิจารณาในแง่ความเหตุควางผลเราต้องการสีขาวพิจารณาให้ควรโอ้สีขาวจริงเราจมสีขาวเราไปป้ายถึ ง, ถ ง, ถงมันถึงจะเป็นสีขาวในที่นี้หมายความว่าทุกคนต้องการความสุขความเจริญเหตุที่ทาต้องดูให้ชัดเจนเหตุนี้เพื่อความสุขความเจริญจริงหรือเปล่าทดสอบดู ดูให้ชัดเจนสีขาวจริงไหมจุ่มลงไปแล้วก็ถาถามเอาจนเป็นจนตายไม่ถือว่าเคร่งเกินไปเหมือนอย่างมัชชีมาปฏิปทาที่พระพุทธเจา้าสอนไม่ถือว่าเคร่งเกินไปแต่ถ้าเป็นกามาสุ ข, ขาริการในยอดบำรุงบํารเดือดกามและให้ได้มรดกได้ผลไม่ใช่ทางทําตนให้เหน็ดเหนื่อยเปล่าไม่ได้รําพึงราพันถึงกรรมเกี่ยวกับเรื่องจิตเพียงแต่ทรมานกายเฉยเฉยไม่ได้ทําผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นภายในจัตจิต ก็เพียงแต่อัตกลามาถาโยกทําใจให้เนหน็ดเหนื่อยเปล่กทํากายให้เนหน็ดเหนื่อยเปล่าการที่ตั้งใจปฏิบัติขัดเกลาขัดเกลาเกี่ยวกับเรื่องกรรมเหล่านี้กายกรรมวิจีกรรมวโนกรรมด้วยทานด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเหล่านี้จึงเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องไปสู่ความสุขความเจริญอย่างแท้จริงเราพยายามมามุนม อ, อยู่ตรงนี้เราจะเข้าใจและจะเราจะได้ข้อปฏิบัติเอาให้พรนะเราพรเสร็จ ไปรับทานอาหารในครัว <c oughs>